รู้สึกตัวนี้ทำให้คนพ้นจากสภาวะสภาพหรือภาวะทุกข์ได้จริงๆพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ต้องทำความรู้สึกตัวถ้าไม่ทำความรู้สึกตัวแล้วเป็นพระอริยบุคคลไม่ได้แม้จะนับเม็ดหินเม็ดทรายในมหาสมุทรครบทุกเม็ดก็เป็นพระอริยบุคคลไม่ได้ แม้จะรู้พระไตรปิฎกทั้ง 84,000 พันพระธรรมขันธ์ถ้าหากยังไม่รู้สึกตัวอันนั้นก็ยังไม่รู้ธรรมะหลวงพ่อเทียนจิตตะสุโภช งานอบรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านสุขภาพนะครับ<ล>อ่าการกินการอยู่ทํำยังไงจึงจะทําให้มีสุขภาพแข็งแรงอะไรนี่ครับค่ะก็ไปพน้นเรื่องของสุขภาพนะคะตรงนี้คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งหมอกายแล้วก็หมอใจเลยนะคะสุข<ก><ร>ภาพากายก็ต้องดูแลสุขภาพใจก็ต้องช่วยกัน ร, รักษาด้วยนะคะครับแต่คงไม่ใช่เฉพาะคุณหมอกะแมงค์ค่ะที่ต้องทําหน้าที่ตรงนี้จริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของทุกคนใช่ไหมคะคุณหมอ จริงๆแล้วคงจะต้องพูดว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนนะคะแพทย์นี่ก็โดยส่วนสำคัญที่แพทย์มีบทบาทอยู่ที่สาคัญในปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของการาดูแลรักษาเป็นหลักแต่จริงๆแล้วในขอบเขตของหน้าที่ของแพทย์เนี่ยน่าจะมีมากกว่านั้นแต่ว่าด้วยการที่ว่าเรามีคนไข้คนป่วยมากเกินไปนะฮะหน้าที่ส่วนที่ควรจะทำได้ดีกว่านี้คือในส่วนของการ ส่งเสริมป้องกันเนี่ยเลยหย่อนหรือว่าลดประสิทธิภาพลงไปเลยทําหน้าที่แต่ตั้งรับอย่างเดียวนะครับพี่กินีน้าค่ะซ<อ>ึงเราก็เป็นที่ทราบกันดีว่าโรงพยาบาลสร้างอีกตึกกี่ตึกนะเตียงกี่เตียงก็ไม่พอครับไม่เพียงพอแน่นอนนะคะไม่เพียงพอเพราะปัจจุบันนี้จึงพยายามเน้นนโยบายเชิงรุกบังเอิญเราก็ยังพอทําหน้าที่นี้ได้อยู่บ้างเขาคงจะพอเห็นประโยชน์นะครับค่ะก็เลย เรียกไปใช้บริการเรียกไปใช้สอยนะคะครับผมก็พอดีกลับไปสุขโขทัยก็ถือว่าได้ทําหน้าที่การจะเรียกได้ว่าอันนึงก็ว่าเป็นแผ่นดินเกิดค่ะบ้านเกิดเมืองนอ น, นบ้านเกิดเมืองนอนก็ได้กลับไปทําหน้าที่เรียกว่าทดแทนบุญคุณก็ได้ครับถือว่าเป็นงานที่พราะว่ามีคุณค่าในตัวมันเองในหลายๆด้านเลยก็ได้ค่ะครับก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดคุยกันถึงเรื่องเกมกรรมนะคะ ซึ่งเราก็พูดกันว่าไม่มีใครที่อาจปฏิเสธได้เลยว่าเราทุกคนต่างล้วนหลีกไม่พ้นการเป็นผู้เล่นเกมกันทั้งนั้นนอาเสียจากว่าใครจะสามารถออกจากเกมได้ก่อนที่เกมจะโอเวอร์นะคะคทีนี้แล้วเราก็พูดถึงวิธีการที่จะหลีกออกจากวัตะของเกมกรรมันไว้ด้วยว่าเห็นทีจะมีแต่เพียงการนำใจของเราเนี่ยเข้าสู่เส้นทางของการปฏิบัติธรรมเท่านั้น ก็เลยอยากจะพูดคุยต่อกับคุณหมอสักนิดหนึ่งว่ารจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะเล่นบทอะไรในเกมกรรมหรือว่าในวิถีชีวิตที่เป็นอยู่เนี่ยนะคะก็ล้วนแต่ต้องเป็นผู้เล่นที่ชาญฉลาดใช่ไหมต้องมีปัญญาค่ะต้องมีปัญญารู้ว่าเราควรจะรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางเล่นแล้วไม่บาดเจ็บนั่นล่ะค่ะเล่นแล้วไม่ติดลบ เล่นแล้วไม่เป็นหนี้เล่นแล้วไม่เสียท่าเพียงคั้มอะไรเงี้ยหรือว่าถ้ามันเล่นแล้วเสียท่าเพียงคั้มก็ใช้บทเรียน น, นั้นๆเนี่ยมาเป็นครูเป็นประสบการณ์ให้เราเนี่ยได้แก้ไขปรับปรุงในการเล่นเกมถัดๆไปได้เป็นอย่างดีคนระับค่ะทีนี้มีเกมอยู่เกมหนึ่งซึ่งคิดว่าคุณหมอน่าจะให้คาแนะนําได้ดีกว่าคนอื่นนะคะในฐานะที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงร่วมกับ การณ์ศึกษาอันนี้นะคะก็คือเล่นเกมคุณพ่อคุณแม่อยู่อ่าค่ะหรือจะใช้บทว่าผู้เล่นเกมเล่นบทเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็มีคุณลูกซึ่งกําลังเรียนแพทย์อยู่ซ อ, องสำไรแวะเวียนมาทางชมรมมาประรบกับท่านอาจารย์กําพลเนี่ยนะคะว่าอุ้ยเป็นห่วงลูกเหลือเกินดูลูกจะเครียดคลั่งเคร่งกับการเรียนมากๆจนเกรง คิดไปเองว่าลูกอาจจะถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายไหมหนออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยเกิดความสงสัยเพราะว่าตัวเองก็ไม่เคยร่ําเรียนแพทย์นะคะไม่รู้เขาเรียนกันยากขนาดไหนนะคะแล้วมันเครียดขนาดไหนทําไมถึงพ่อแม่นิวิตตกจริตมากเกินไปหรือว่าการเรียนแพทย์นี่มันขั้นเคร่งขนาดนั้นจริงๆค่ะคุณหมอครับจริงๆคําถามนี้น่าจะให้อาจารย์กับตน์ตอบนะเนี่นย อ้าวก็คุณหมอเนี่ยเป็นหมอนะคะแล้วก็ประสบการณ์ตรงอาจารย์กมพนเขาบอกว่าผมน่าไม่เคยเรียนแพทย์ครับก็อาจารย์ก็ได้เคยเรียนสาขาใกล้ๆแพทย์นะฮะก็คืออย่างนี้ฮะจริงๆแล้วปัญหาเหล่านี้เนี่ยผมว่ามันเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับโลกะมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็คงจะมีตลอดไปจนอาจจะเรียกเลยว่าเป็นปัญหาโลกแตกนะฮะลดลงไม่มีอะไรใหม่เลยนะคะ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 ถ้าเรียนด้วยความคล่ำเคร่งเนี่ยผมว่าก็ดีนะฮะแต่ปัญหาที่ทําให้เกิดขึ้นว่ามันจะออกไปทางคลําเครียดครับคล่ำเคร่งเนี่ยดีแต่คล่ำเคร่งเนี่ยเคร่งเครียดนี่ไม่ดีนะคะถ้าคลําเครียดนี่ยไม่ดีอนี่คนทั่วไปที่ที่ทําอให้เกิดมีปัญหาจนกระทั่งว่าออกอาการอยากจะเลิกเรียนหรือเรียนไม่ไหวคเรื่องอะไรส่วนเนี้ยส่วนใหญ่มักจะออกไปทางเครียดคือคลําเครียดหรือว่าเคร่งเครียดนะครับก็ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่าง แต่โดยสภาวะก็คือว่าในขณะที่เขาเรียนเนี่ยก็ไม่มีความสุขแน่นอนค่ะนะฮะไม่มีความสุขนี่งานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราทําแล้วไม่มีความสุขนะฮะงานนั้นจะเจริญได้ยากครับอันนี้เป็นสัจธรรมค่ะนะงานอะไรที่ทําไปทุกไปทําไปหงุดหงิดไปทําไปแล้วเบื่อหน่ายไปเนี่ยลอดยากก็ยัง ค, คิดเลยนะคะว่าเอ๊ะถ้าเรียนหมอแล้วเครียดขนาดนี้เนี่ยมาขายเต้าหวยไม่ดีกว่าหรือ <laughs>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 อย่างเช่นว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นว่าที่เด็กเครียดเนี่ยบางคนก็เครียดเพราะว่ามันตั้งใจเต็มที่แล้วมันก็จวนจะตกหรือว่าจะชวนจะรีทายอย่างนี้ด้วยสติปัญญาเขาจํากัดนะสอบพลุกผ่านเข้าไปติดแพทย์อย่างเงี้ยคือไม่มีความพร้อมทางสติปัญญ า, าจริงอันนี้ก็เครียดได้เหมือนกันนะแล้วกเ็เดี๋ยวเครียดมากๆก็จะชวนหาเรื่องฆ่าตัวตายอย่างว่าอันตัดไปก็คือมันเครียดอีกขั้วหนึ่งไปเลยก็คือว่า เกือบจะได้แลกลัวจะไม่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอันนี้ก็เครียดได้แล้วก็ค่าตัวตายได้อีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าหวังหรือว่าเป็นที่คาดหวังหรือว่าตัวเองหวังอะไรกันนองเนี่ยว่า เป็นที่หนึ่งมาตลอดอันแรกีเรียนไม่ไหวนะคะอันที่สอเรียนได้ดีแต่ว่ากลัวจะไม่ได้ที่หนึ่งกลัวจะไม่ได้ที่หนึ่งกลัวจะไม่ได้เหรียญทองกลัวจะไม่นเกียรติยศระดับหนึ่งสองประเภทนี้ตรงกันข้ามกันเลยตรงกันข้ามเลยเป็นคู่ตรงกันข้ามแต่ผลเหมือนกันนะคือเครียดทั้งคู่แล้วก็มีความทุกข์ทั้งคู่นะครับกลับไปพวกหนึ่งที่เจอได้ก็คือว่าพวกที่ไม่ชอบนะครับแต่ตอนที่สมัครเรียนเนี่ยก็เลือกไปอย่างนั้นแหละออคือก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะชอบอะไรเป็นไปได้ อ่าไม่รู้ว่าชอบเป็นไรแต่ว่าเห็นว่าคณะแพทย์เนี่ยตัเองก็มีสติปัญญาใช้ได้อเรียนเกรดก็ดีไม่รู้จะเรียนอะไรเรียนหมอเวลาการอะไรทานองเนี้ยนะอตามกระแสไปพวกนี้พอเรียนไปจริงๆเข้าพอไปเจอวิชาต่างๆที่ตัวเองไม่ถนัดรู้สึกว่าตัวเองไปชอบอีกแบบนึงะอะไรเข้ า, ขาก็อยากจะเปลี่ยนเส้นทางเนี่ยก็จะทําให้ไม่ค่อยสนุกกับการเรียนแล้วก็จะ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 ความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยจะตกอยู่ในกระแสของโลกของสังคมแบบไม่ตื่นขึ้นมาเลยเนี่นะะค่ะพวกนี้ก็จะเข้าสู่วังวนอันนี้ได้ง่ายนะลูกฉันเราเป็นหมอแม่เป็นหมอพ่อเป็นหมอลูกก็ต้องเป็นหมออะไรอย่างเงี้ยนะค่ะหรือแม้แต่การที่พยายามจะก๊อปปี้เด็กให้ย่อย่างที่ตัวเองต้องการ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 อันหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออย่างนี้ครัพี่สินีนา่าเด็กที่เรียนไปแล้วเริ่มมีอาการเครียดไม่ไหวหรือ ว, ว่ามีอาการเบื่อนหน่ายนะพวกนี้สิ่งหนึ่งที่ขาดก็คือขาดเป้าหมายของชีวิตอือีก อ, นนอันนึงก็คือขาดความอดทนอดกลั้นเป้าหมายชีวิตกับความอดกลั้นอดทนมี่จําเป็นมากเลยใช่ไหมค ะ, ะเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยมักจะเกิดมาบนกองเงินกองทองมีความสุขสบายทุกอย่างพอไปเผชิญหน้ากับการที่เรียนในลักษณะที่เรียกว่า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 เือไม่มีเป้าหมายที่จะเลือกเรียนคณะแพทย์เนี่ยด้วยวัตถุประสงค์ที่มันชัดเจนก็เลยพอมีปัญหาและอุปสรรคเนี่ยบวกกับความที่ไม่มีความอดทนอดกั้นจากการที่ตัวเองไม่เคยลำบากลําบนมาก่อนไม่รู้จักความลําบากเห็นแต่ความสุขเห็นแต่ความสบายพวกนี้เนี่ยจะทําให้เด็กพวกนี้นอ่อนแอนะฮะไม่มีน้ําอดน้ําทนก็เรียกว่าอย่างงนั้ น, น, นปัญหาอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นซ้ซซซซซซําๆำซากๆถ้าหากว่า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 ผู้เล่นเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมผู้เล่นต้องเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยนะฮะผู้เล่นต้องเข้าใจเส้นสนกลไกของกรรมผมรู้สึกว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้นะมันจะเล่นได้ยากเพราะว่ากฎแห่งกรรมหรือว่าเส้นทางของกรรมหรือว่าเกมนี้เนี่ยมันมีกติกาของมันอยู่นะมีเหตุปัจจัยของมันอยู่ถ้าเราใส่เหตุปัจจัยที่มันถูกต้องเนี่ยโอกาสที่มันจะได้เปรียบเนี่ยมันจะสูงนะฮะนขณะเดียวกันถ้ามันจะเพี้ยงพ้า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 มันก็เรียกว่าไม้อ่อนดับง่ายใช่ไหมไม้แก่ดัดยากแต่ว่ามันจะดับยากยังไงบางทีมันก็ต้องพยายามดัดหรือต้องมาคุยกันนะะแล้วที่สําคัญก็คือว่าเกมนี้เราเลือกเล่นได้ด้วยนั่นแหะสีตรงนี้นวิชาแพทถ้าเราคิดว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องดันทุลังเล่นต่อเพราะว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนนะไม่มีการความว่าสายเกินไปจากการเริ่มต้น เพราะจริงๆแล้วชีวิตของเราบางคนว่าในนเรียนแล้วปีสองปีสามแล้วต้องเอาให้จบอะไรเงี้ยนะจบแล้วค่อยว่าการอะไรอย่างนี้ก็มีอ่าอย่างนี้ก็มีเนี่จริงๆแล้วผมมองว่าไม่จําเป็นถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะออกมาเรียนเป็นอย่างอื่นการที่เองชอบเพราะว่าอย่างที่พี่ศรีนาฏว่าไปขายเต้าหวยดีกว่าไปขายเต้าหวยดีกว่าเพราะว่ามันมีความสุขแล้วก็มันมีความอิสระแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ยังมองว่า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 มันจะขาดความภูมิใจในวิชาชีพหรือว่าในฐานะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์อะค่ ะ, คะนี่วิชาชีพแพทย์เนี่ยผมว่ามันให้ความรู้สึกตรงนี้ได้ชัดเจนแล้วก็คุณค่าหรือว่าประโยชน์ของมันเนี่ยมากมายมหาศาลแม้แต่ตัวเราเองด้ว่าต่อบุคคลในครอบครัวของเราผมเองเนี่ยนะมีประสบการณ์ตรงมาอย่างตอนนี้ปัจจุบันนีนะ้มีคุณหมอฟันท่านหนึ่งนะ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 อันนี้ผมไม่ได้เปรียบเทียบอาชีพนะฮะแต่เปรียบเทียบผลให้ดูรือว่าพอถึงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เจ็บไข้ได้ป่วยที่มันเกี่ยวกับระบบอื่นเนี่ยเราไม่รู้ละนะฮะแม้แต่เราจะใช้เวลาเรียนในการเรียนมาหกปีเหมือนกันเนี่ยถว่าเราเกี่ยวข้องไม่ค่อยถูกอนะต้องอาศัยมือคนอื่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นผมยังแซวเขาคืนไปว่า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 ไม่มองในแง่ของเศรษฐฐานะเรื่องของความมั่นคงในวิชาชีพชื่อเสียงอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้ว <c oughs> ถ้าเราไม่มองประเด็นนั้นเนี่ยเรากลับมามองประเด็นนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้เ้ามีมีใจหรือว่าจิตใจร่วมีความตั้งใจที่จะเรียน <c oughs> ให้ได้ <c oughs> คือไม่ใช่หวังว่าประโยชน์ตัวเองอย่างเดียวไม่ใช่เพื่อไปหาสตางค์อย่างเดียวใช่แ <c> ล <oughs> <c oughs> ้วก็คือตั้งใจเรียนเพื่อที่จะ <c oughs> นําความรู้เหล่านี้ มาดูแลพ่อแม่ก็ได้ถ้าเราลักพ่อแม่ใช่ไหมครับหรือมาดูแลตัวเองหรือว่าครอบครัวในอนาคตถ้าเราจะมีต่อไปเราจะได้ไม่ต้องพึ่งพินคนอื่นเยอะก็เรียกว่าเป็นวิชาดูแลสุขภาพตัวเองก็ได้ถ้าคิดได้อย่างนั้นว้างนะครับมาจากว่างนั้นตรงจุดเหล่านี้เนี่ยบางทีถ้าเราไม่เตรียมไว้ก่อนไม่เตรียมความพร้อมของลูกไว้ก่อนไม่เทรนไว้ก่อนนะแล้วก็ปล่อยให้เขาเลือกไปตามยะถากรรมนะฮะ ผมว่ามันก็จะเกิดปัญหาอย่างที่พี่กินิณาเล่าให้ฟังเนี่ยได้ง่ายค่ะอแต่ว่าจริงๆแล้วปัญหามันก็อาจจะไม่เลวร้ายฮะเพียงแต่ว่าอ่าจะต้องมานั่งคุยกันแตมานั่งคุยกันมาเปิดใจคุยกันด้วยความเมตตาด้วยความเมื่ออาร้อนด้วยความเข้าเข้าใจกันเนี่ยค่ะซึ่งพวกนี้เนี่ยบรรยากาศอย่างนี้ในสังคมเมืองเนี่ยผมว่ามันแทบนไปได้ยากมันเป็นไปได้ยากแล้วก็ค่อยๆจะเจืดจางไปเรื่อยๆนะฮะดังนถ้าทั้งพ่อทั้งแม่